นั่งสบายๆในช่วงที่ผ่านมานะก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายเช่นแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็มีซูนามติตามมาคนก็ตายกันหลายหมื่นนะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นขึ้นไป เราก็ยังไม่รู้เป็นอย่างไรเพราะว่าเห็นว่าโรงไฟฟ้ า, ฟานิวคีเลยก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็ยังมีสารกำมะถันภาพรังสีรั่วไหลออกมา อ, อาจจะระเบิดขึ้นมาวันไหนก็ไม่รูนะ้ถ้าระเบิดขึ้นมาแล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็มีพายุฤดูร้อนนะมีฝนตกหนักกว่าฤดูฝนนะคนตายไปห้สิบกว่าคนแล้วนะทุกวันนี้บางอําเภอก็ยังน้าท่วมอยู่นะ น้ำก็ยังขังกันอยู่นะพระก็ยังบางองค์ก็ยังต้องไปอยู่บนหลังคาก็ยังมีเลยนะนะลำบากมากนะใช่ไหมชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนหรอกใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะไปประมาดในชีวิตไม่ได้ว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะเราอย่กเป็นคนหนุ่มคนสาวนะนะเพราะว่าความตายเนี่ยก็เรียกว่าไม่เลือกสถานที่นะไม่เลือกว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่เลือกวันไม่เลือกเวลานะสิ่งเหล่านี้เลือกไม่ได้ ก็เมื่อไม่ไม่นานนี้ก็มีมีเพื่อนของกฐมาคนหนึ่งนะเป็นคนที่ดีมากเนี่ยดีมากเลยเรามาออกลงทานที่วัดปามันตัดงานหลวงตามหาบัวปรากฏว่าก็เหนื่อยมากนะไม่เคยพักผ่อนก็เป็นลมในห้องน้ํานำหัวฟาดพื้นเส้นเลืในสมองแตกนแล้วก็ไม่มีใครรู้อหายไปไหนก็ไม่รู้พอดีแถวนั้นไม่เป็นห้องน้ําที่เป็นสังกะสีปิดหมดน พอดีห้องนี้มีมีช่องว่างอยู่คือก็ปิดไม่หมดนะ ข, ข, ข, ข้างล่างนี่มีที่ว่างเก็มีคนมองลงไปก็เห็นขาคนก็เลยไปช่วยมาปมากฏว่าตัวก็เริ่มเขียวแล้วนะแล้วก็ส่งที่ลงไปบบานอุดรก็เส่เลือดในสมองแตกก็ไปผ่าตัดสมองนะแล้วก็เป็นอมันอมพาตครึ่งตัว แล้วก็มีคนที่ก็รู้ข่าวก็ไปเยี่ยมเขาก็รู้สึกตัวได้เร็วมากเขาก็จับมือทักทายได้แต่ว่าพูดไม่ได้นะเพราะโดนเจาะช่องลมหายใจอยู่หน้าตาก็ก็เหมือนกับเขาก็มีความรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์มากนะอเราพอหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าวันที่จะกลับนะตอนนั้นก็จะกลับได้แล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างจะดีแล้วเนี่ยก็พอดีเกิดไอ้ช่องที่ใส่ หลอดลมหายใจเนี่ยเกิดเป็นอย่างไรก็ไม่รู้<ม>รก็ปรากฏว่าหายใจมาออกก็ถึงในความตายไปนะแต่ก็ดูหน้าตาผ่องใสมากนะก็ไม่ได้เห็นศพยังไงแต่มีคนก็มาเล่าว่าหน้าตาเขาผ่องใสมากนเพราก็ปฏิบัตธิธรรมมาตลอดแล้วก็เคยเจริญสติบั น, นี้ด้วยเคยมาปฏิบัตธิธรรมแบบพวกเราอยู่นะแล้วเขาก็<อ>เคยเนี่ยเจริญสติแล้วเคยปฏิบัตธิธรรมานานแล้วก็ให้บุญทำบุญต่างๆไว้เยอะนะก็เลยไม่ต้องเป็นห่วง พอดีวันส uh, uh, uh, uh, uh, ุดท้ายตอนจะส่งส э ่งศพเขาก็ใบจกางให้ศิริราชเลยนะใบจ้างให้เป็นอาจารย์ใหญ่ศิริราชแล้วก็ทางจะภาวันนี้มรในประเทศวันสุดท้ายเลยกประเทศพูดในเรื่องพวกนี้มาให้เขาฟังถึงเรื่องความตายเรื่องความพัดภาคแล้วก็พูดถึงว่าเออเขาตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่าญาติๆเขาก็ไม่ได้เสียใจกันคิดว่าคงไปดีแน่นอนแต่ปัญหาว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะทําอย่างไรนะคนที่มีชีวิตอยู่จะทําอย่างไร เพราะคนที่มีชีวิตอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องทําอย่างไรให้ชีวิตของเราในดีขึ้นนะเราวันนั้นก็เทศแล้วก็แนะนำปฏิบัติกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีคนปฏิบัติอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ปฏิบัติด้วยก็ให้ก็ได้เข้าใจในตัวนี้นิดนึงก็แปลว่าเออาก็เข้าใจดีนะส่วนใจก็เข้าใจดีก็ให้กันเทศถวายกันเทศมาตั้งหมื่นกว่าเราก็เลยมอบไปเขาไปหมดเลยให้ก็ไปทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทั้งหมดเลยนะโอ้ เขาก็เออไปทําบุญอุทิศเดี๋ยวนั้นเลยนะไปสร้างอ่าม่อไปสร้างโบสถ์นะที่วัดที่ยังโบสถ์สร้างค้างอยู่นะอ่ออันนี้เป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่น่าจะตายก็จะเป็นคนที่แข็งแรงมากไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยเป็นคนแข็งแรงนะคราวนี้ปัญหาว่าเออเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะก็คือเนี่รจริงแล้วการเกิดมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเราโชคดีมากนะ พระเจ้าทรงตัดอย่างนี้ว่าออสิ่งที่เป็นความประเสรเิฐหรือโชคดีหรือเป็นลาบเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยก็มีอยู่4อย่างนะก็คือประการแรกก็คือกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภก็คือความได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นของยากนะนะยากอย่างไรนะก็อย่างที่สานิภูมิเนี่ยเรามองเห็นแค่สองภูมินั่นเองคือความเป็นมนุษย์และก็ความเป็นสัตว์เดชานสองภูมินี้เราก็เห็นแล้วว่าสัตว์เดชานมีมากกว่ามนุษย์นับไม่ถ้วนเทียบก็ไม่ติดเลยนะเทียบกันเราว่าถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับ ตึกใหญ่ๆนะตึกสักร้อยชั้นเนี่ยกับกระท่อมหลังเล็กๆนิดเดียวนะหลังเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะเทพาะเทียบภูมิกับสเดชานก็ยังเป็นแบบนั้นนะแล้วถ้าอีกยบก้าภูมิเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยิ่งเทียบก็ไม่ได้เลยนะสมัยพระเจ้ากระส่งถามพระภิกษุว่าเออดูกอนภิกษุทั้งหลายฝุ่นที่ติดไปเล็บของเรา นีที่ทรงช้อนมนิดหน่อยติดไปเล็บกับฝุนในมหาปฐพีเนี่ยอย่างไรเมากกันพี่สุดเราก็ฝุ่นที่ในมหาปฐพีเนี่ยมากเทียบก็ไม่ได้กับฝุ่นที่ติดไปลเล็บเนียพระเจ้าก็บอกว่าฉันใดกับชันนั้นผู้ที่ตายไปแล้วนะไม่ว่าจะกําเนิดอะไรก็แล้วแต่จะภูมิไหนแล้วแต่ทียบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเท่าฝุ่นที่ติดไปลเล็บของเราส่วนที่ไปเกิดในกําเนิดอื่นเนี่ยมีเท่ากับฝุ่นในมหาปฐพีนะแล้วก็ทรงมี มีตัดอีกว่าออมันก็เต่าตาบ่อตัวหนึ่งเนี่ยร้อยปีก็จะโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งนะเมื่อขึ้นมาบนมหาสมุทรแล้วเนี่ยก็จะมีแอกนะหรือมีลอกเกวียนเนี่ยลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต่อเมื่อหัวเต่าเนี่ยเข้าไปในลอกวียนได้สักครั้งหนึ่งนั่นแะหละคือการได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยยากมากขนาดไหนนะอย่าว่าแต่เต่าตาบ่อเลยให้เต่าตาดีดๆก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่ามาหาสมุทรเขากว้างใหญ่ เราร้อยปีที่ผ่านมาสักครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันว่าการเกิดมนุษย์เนี่ยยากมากนะเพราะที่เราได้เกิดอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยถือเป็นบุญเก่าที่ยิ่งใหญ่หายากและโอกาสเช่นนี้มันเรียกว่ามันจะนานมากเลยกว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะเราได้เกิดมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีแล้วนะก็คือเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําที่สุดแห่งทุกได้นะพระพุทธเจ้ายังต้องมาตรัสลุในโลกมนุษย์นี้เลยนะเป็นสัตว์เดชานปั๊บนี่ไม่มีโอกาสเลยนะที่จะที่จะทำให้บรรลุธรรมไม่มีโอกาสแน่นอนนะ แล้วประการที่สองคือเมื่อเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่นะเพราะคนที่เกิดที่หลังเราในที่ตายก่อนเราเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะนะเพราะนั้นเราลอดอยู่นะไม่เป็นอัมพาตนะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่พิการหูหนวกตาบอดนะมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้แล้วนะบางคนเนี่ยแรกนะเป็นเอดส์เป็นอัมพาตเนี่ย บางคนรวยๆเนี่ยสักร้อยล้านหรือพันล้านให้แลกเป็นกลับเป็นคนดีๆเนี่ยโอ้เขายังแรกไม่ได้เลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราป่วยเมื่อไหร่ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอาพาศนะเป็นเอดนะหรือเดินไม่ได้ขึ้นมาวันไหนหรือเจ็บไข้นักๆเราจะรู้ว่าการที่เราปกตินี่แหละทํามาหากินได้เดินไปไหนมาไหนได้นี่เป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดของเราแล้วนะเนี่ยเป็นสิ่งโชคดีแล้วที่เรามานั่งอยู่ทุกวันเนี่ย รับอาการนิสัยมันคือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนานะการพบพุทธศาสนาเนี่จริงๆนี่ยากนะไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนไทยได้พบทุกทุกคนก็ไม่ใช่นะคนไทยนี่ที่ไม่ได้พบจริงๆก็มีเยอะนะแล้วก็อย่าว่าแต่ว่าคนที่อยู่นอกวัดเลยคนที่อยู่ในวัดเหมือนกันนะลูกศิษย์วัดเนี่ยอยู่ในวัดก็ไม่ได้พบพุทธศาสนานะไม่ใช่แล้วอย่าว่าแต่ลูกศิษย์วัดแม้แต่พระที่บวชเป็นพระก็ยังไม่รู้ว่าพบพุทธศาสนาหรือเปล่านะ ที่เป็นพิธีกรรมในเยอะแยะนะแต่ที่จะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์น่ยให้กินเลนลดลงเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะฉะนั้นการพบศาสนานี้นนไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในวัดนะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่แต่หมายความว่าเราทํากินเลนีของเราให้ลดน้อยลงไปไหมนะเพราะถ้าเราไม่ทํากินเลรีให้ลดน้อยลงไปงก็ชีอว่าเราเกิดมาเสียชาติเกิดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยากๆนี่แหละเพราะว่าตาบใดที่เรายัางมีกินเลนแม้แต่เพียงเล็กน้อยเราก็ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดม า, มมาเกิดใหม่นะ แล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปสุรกายก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ยังได้เลยนะเพราะมันจะมีเชื้อกิเลสในใจเหมือนก็ต้นไม้สูงสูงเนี่ยสามสเมตรก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวนะเมื่อเมล็ดพันธุ์มันมีมีเชื้ออยู่มันตกมาในดินก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เพราะนั้นจิตเราแม้แต่มีกิเลสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะก็ยังต้องมากลับมาเกิดใหม่เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม เพราะงั้นการเกิดเป็นมนุษย์ น, น, ษยนะการได้พบพุทศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากอย่างนี้นั่นเองนะนะก็จริงยืนยันว่าเออเราได้พบพุทธศาสนาเมันโชคดีแล้วละนะและอย่างนึงเมื่อได้พบพุทศาสนาแล้วในประการที่สี่ก็คือได้ฟังธรรมและได้ปฏิบัติธรรมอันประเส ร, ริฐนั้นนะนะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะที่เรามาฝึกมาอบรมกันก็เพื่อตัวนี้นั่นเองนะพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างบารมีถึงเสียสงไข่กระแสมากับนะเคยเกิด เป็นสิ่งต่างมากมายแม้แต่เคยเกิดเป็นสัตว์เดชานเบียนวไหวตายเกิดนะเป็นคนจนมั่งคนรวยมั่งเพื่อสร้างบารมีเพื่อที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งนะครั้นี้เมื่อทรงนำสิ่งที่ตัดสูามาสอนเราไม่ได้สอนให้เราเพียงแต่ว่าให้ทานรักษาศีลไปอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่แต่ทรงสอนให้เราละซึ่งกิเลสทั้งหลายจนถึงซึ่งอาสวะกิเลสสิ้นไปจากใจนะ นะั่นคือให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นให้ถึงเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้เลยนะนี ค, ความประสงค์ที่แท้จริงของพุทธเจ้านะไม่ใช่ให้เรามาทำทานรักษาศาีลเพื่อเป็นเทวดาเป็นพรหมอันนั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นใครที่ทําบุญเพียงแต่ว่าให้รวยหรือว่าขึ้นสวรรค์อันนั้นก็ถือว่าผิดทางอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธนายเหมือนกันเพราะถ้าหวังเพียงแค่นั้นสาราอื่นก็ก็มีทั้งหมดนะเนะพราะเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะ ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อให้กินเหลเราลดลงไปนั่นเองนะไม่ปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างอื่นนะบางคนปฏิบัติธรรมเพื่อจุดประสองค์อื่นก็ไม่ใช่ตั้งสวามผิดจุดประสงค์ผิดผิดก็ไม่เยอะบางคนปฏิบัติเพื่อให้ได้ฤทธิ์ให้ได้เดชก็มีนะให้หูทิพตาทิพถอดจิตไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนีน่หรือบางทีอาจจะด้วยแต่เห็นตัวเลขต่า ง, าง ๆ, างๆนำมาเสียงโชคอันนี้ก็ผิดหมดนะไม่ถูกต้องนะปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อให้กินเหลเราลดลงจากใจเราให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสนะ มันจะได้เป็นขนทางแห่งความพ้นทุกข์หรือถึงพรนิพพานได้โดยเร็วนั่นเองนะนี่คือขนทางแห่งการบาปจริงจริงนะเพราะนั้นเราก็มาเข้าสู่จุดนี้กันแล้วเนี่ยถือว่าพวกเรานี่ได้ครบทั้ง4ี่ประการนี้นะอันนี้ถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกรัตตุลย์วันที่หนึ่งร้อยครั้งติดติดกันนะเพราะผู้ที่ร่ํารวยเนี่ยติดรางวัลที่หนึ่งรอยครั้งเนี่ยมันคงมิไม่ถึงหมื่นล้านหรอกใช่ไหมแต่คนที่ก็มีหลายๆลาหมื่นล้านเขาก็มีความทุกข์อยู่เลยนะเกิดชาติใหม่เขาก็ต้องทุกข์อยู่นะ แต่เราแม้จะถูกลอตเตอร่เรามาถูกรางวัลในการปฏิบัติธรรมดีกว่านะจะได้พ้นทุกข์กันนะนี่เป็นจุดสําคัญเพราะฉนั้นใครๆที่เข้าถึงวัดถึงศ า, างสน า, า, ส า, าก็คือต้องมาสู่ตัวนี้ทั้งหมดนะนะอันนี้แหละมันก็เป็นประเด็นที่เรามาปฏิบัติกันนะคราวนี้ปฏิบัติเนี่ยมันอย่างไรนะนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็บอกไว้แล้วว่ า, วาก็คือเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเองนะเพราะเราหลงเนี่ยทั้งวันหลงคิดนูน่นคิดนี่คิดวันแล้วเป็นหมื่นๆครั้งก็ไม่รู้นะ โกรธก็ยังไม่รู้ว่ากําลังโกรธอยู่หงุดหงิดก็ไม่รู้ว่ากําลังหงุ่นงิดนะคัดเครื่องไม่พอใจก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือการหลงทั้งหมดเลยนะหลงก็คือไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เรากําลังเป็นอะไรอยู่ไม่รู้ว่ากําลังโกรธไม่รู้ว่ากําลังรักกําลังชังนะหรือไม่รู้ว่ากําลังกินข้าวไม่รู้กําลังเดินไม่รู้กําลังนั่งไม่รู้กําลังนอนอันนี้คือการหลงหมดเลยนะครั้นี้เราก็เป็นให้หลงในมาให้รู้นะก็คือ ไอตัวหลงเนี่ยเาเรียกเป็นอกุศลนะเชื่อเราโกรธเนี่ยไม่เป็นอกุศลแต่พอเราลึกได้เออขณะนี้กําลังโกรธแล้วนะเนี่มันก็เปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้แล้วเออรู้ว่าเราขณะนี้กําลังโกรธแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้อันนี้คือบุญแล้วนะคือบุญเลยเป็นกุศลกุศลนี่มันเป็นเขาเรียกว่าจากการที่เรามีสติรู้เท่าทันเนี่ยเป็น เป็นยิ่งปรากฏตนคือเป็นมหาปุากฏนะก็คือเราสามารถที่จะละไขกิเลสหรือว่ากิเลสเราลดลงจากตัวนี้ได้นั่นเองนะก็คือเราสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วนะเพราะโดยวิธีการนี่แหละมันเป็นหนทางให้ความพุทธที่แท้จริงนะเพราะนั้นมันจะตรงกันข้ามนะถ้าเรามีความโกรธมากๆมีความโลภมากๆนั่นแสดงว่ากิเลสเราเยอะนะกิเลสเราเยอะเนี่ยเมื่อกิเลสในใจเราเยอะผลเป็นอย่างไรนะผลก็คือจิตมันหนักหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมันนับเป็นอย่างไรอย่างคนมีความโกรธเนี่ยตายแล้วไปลงนรกทันทีเลยนะหรือมีความโลภเนี่ยตายแล้วก็เป็นเปรตทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าอ่ามีกิเลสเยอะนั่นเองนะครั้นี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้กิเลสมันน้อยลงนะเราจะไปตั้งใจละกิเลสเนี่ยได้ไหมจริงๆแล้วมันตั้งใจไม่ได้นะเช่นความโกรธอแต่ตั้งใจให้มันอ หมดความโกรธตั้งใจละความโกรธทําได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่มีความโกรธแล้วเราจะไปละอะไรจะไปตัดความโกรธได้อย่างไรนะแต่เราก็มีสิทธิเรรู้ได้นะก็คือเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเท่านั้นเองนะรู้ทันนะแล้วมันก็ดับไปแค่เนี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นมหากุศลเลยนะก็คือเมื่อมันหลงหลงโกรธเมื่อเรารู้เนี่ยตัวนี้เป็นกรุสันทีมันก็ตัดความโกรธดับไปทันทีเลยเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้น แต่ละขณะแต่ละขณ ะ, แ ต, ะ, ขณะแต่ละดงวงไม่ ไ, ไม่พร้อมกันนะเกิดขึ้นที่ระดวงที่ระดวงนะจิตที่เป็นอกุศลเช่นความโกรธเนี่ยพอเกิดขึ้นปั๊บพอเราละลึกได้สติคือความลลึกได้พอเราลึกได้กำลังโกรธนี่ปั๊บนี่แหละมันเป็นจิตของกุศลแล้วเนี่ยมันก็จะตัดจิตอกุศลคือความโกรธนั้นดับไปเลยนะเพราะจิตมันเกิดที่ระดวงเท่านั้นเองนะพะจิตเอาจิตกุศลเกิดขึ้นปั๊บจิตอกุศลก็ดับไปเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้นะ เปลี่ยนจากบาปเป็นบุญนะเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถได้บุญตลอดเวลาเลยนะได้บุญทั้งวันไม่ต้องไปพอกฐินเท่าป่าไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนเราอยู่ที่บ้านอยู่โรงพยาบานอยู่ในศูนย์การค้าเราได้บุญตลอดนะก็แค่เราเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เท่านั้นเองนะอะไรที่มันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่เรารู้เนี่ยก็คือบุญทั้งทั้งหมดนะทั้งสิ้นเลยนะแล้วอันนี้เป็นบุญที่สูงกว่าให้การให้ทานอีก เพราะมันจะตัดตัดตัดให้มันสั้นลงนะเพียงแต่เรารู้นะมันจะตัดไปเองนะมันจะปล่อยปล่อยไปในตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจที่จะละกิเลสนี่ยไม่ได้นะเราไม่หน่าที่รู้แล้วก็วางไปนะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะจะมีคนเข้ามาขโมยของในร้านเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาขโมยเราก็มีความทุกข์มากนะแต่พอเราเริ่มรู้แล้วเออขโมยหน้าตายแบบนี้นะ พอเขาเข้ามาในร้านปุ๊บเราก็ดูหน้าเขามองหน้าเขาเขาจะอยู่ในร้านเราต่อไปได้ไหมเขาก็อยู่ไม่ได้นะเขาจะหนีทันทีเลยนะพร่นกินเหล็กมันก็คือแบบนี้เหมือนกันนะแค่เรารู้จักเขาเท่านั้นอย่างชัดเจนนะเห็นเขาปุ๊บเรารู้ทันนะแล้วเราวางนะจริงๆเราไม่ต้องวางนะแค่เรารู้ทันก็ใช้ได้แล้วนะเขาจะจ่ออยากใจเราทันทีเลยนะอยู่ไม่ได้หรอกเขาหนีไปเลยความโลภความโกรธความหลงอยู่ไม่ได้หนีทันทีนะรับประกันได้เลยนะ มันจะเป็นการวางโดยอัตโนมัติเองนะแค่เรารู้ทันมันจะวางโดยอัตโนมัติเองเพราะเราไม่ไปต่อเติมนะมันจะเป็นการตัดนะเป็นการตัดทําให้มันสั้นลงนะมันออกอยากใจเนี่ยพวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการละกิเลสที่แท้จริงนะเพราะเราจะไปตั้งใจละกิเลสไม่ได้เพียงแค่เรารู้ทันนะรู้ทันแล้วเราก็วางมันลงไปเนี่ยคือการละกิเลสแล้วนะพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆกิเลสมันจะค่อยๆเบาเบาบางลงไปเองนะมันจะเบาลงไปเรื่อยๆนะ มันจะค่อยๆเบาจากใจเรายิ่งเราปล่อยได้เร็วเท่าไหร่วางได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆแผ่วเบาไปเองเหมือนก็เราไม่คบกันแล้วนะอเช่นมีเพื่อนเราเพื่อนเรานี่มาหาเราทุกวันเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแล้วก็คบกับเขากินเที่ยวกับเขากินเหล้ากับเขาคุยกับเขาเออ แต่พอตอนหลังเราเริ่มรู้ความจริงอเพื่อนเนี่มันไม่ดีเนี่ยมันหลอกเรานะพอเรามีความจําเป็นให้มันช่วยมันก็หนีทันทีเลยมันไม่ช่วยเราจริงๆรมันเป็นเพื่อนกินพอเรารู้นี่ใสมันปุ๊บเนี่ยที่หลังเข้ามาเราก็ไม่อยากคบกับเขาเราไม่ต้องเป็นไล่ก็เราเข้ามาเราก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาที่เราไม่สนใจไม่เราไม่ไม่สนใจกับเพราะอะไแต่เรารู้ความจริงว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราไม่สนใจเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เขาก็หนีไปเลยนะเขาไม่มาอีกหรอก พอรู it, ้ว่าเรารู้นิสัยเขาเราลังเกียจเขาเขาไม่มาหาเรานะพราะกินเลกันเหมือนกันนะสมัยก่อนนี่เราไปคบกับเขาเรานึกว่าเขาดีเออความโกรธมันดีนะความโลบมันดีนะความหงุดหงิดมันดีนะเราก็ไปอยู่กับเขาเขาก็มาอยู่กับเราแต่เรู้เนี่ยเขาอยู่กับเราไม่ได้เขาหนีเลยนะมันเป็นแบบนี้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่รู้บ่อยๆรู้ถึงโทษถึงภัยของเขาเนี่ยเขาย่อหยากใจเรายังรวดเร็วนะเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะ เพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยพลุชนทั่วๆไปเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะเอานะจะเอาทั้งหมดพลุชนเอาเอาเงินทองเอาทรัพย์สินเอาเกียรติยศราบเพื่อสรงเสริญจะเอาทั้งหมดนะมีอะไรๆก็จะเอานะโดนคนด่าก็จะเอานะความโกรธก็จะเอาความโลภก็จะเอาความหลงก็จะเอานะได้ยินคนชมเชยก็จะเอานะตาเห็นรูปสวยๆก็จะเอาเห็นรูปไม่สวยก็ไม่เอาก็จะเอาเหมือนกันคือไม่พอใจนะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกุตร ะ, ระอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นโลกิยานะโลกิยาคือการเอานั่นเองนะคือการเอาการเอาเนี่ยเป็นการเอาเนี่ยเป็นการเพิ่มพบเพิ่มชาตินั่นเองนะอ่าการที่เราจะเอาเอาอะไรทั้งหลายแหละมันคือความโลภทั้งหมดเลยนะมันคือการเพิ่มพบเพิ่มชาติน ะ, แ, ะแต่ว่าทําอย่างไรนะที่เราจะให้พบชาตมันน้อยลงลก็คือไม่เอานั่นเองนะมันเอามันเพิ่มแต่เราไม่เอามันจะลดลงไปเองนะ จิตใจเราเนี่ยสามารถที่จะไม่เอาได้นะมันฝึกได้นะคนเราฝึกได้นะเช่นเราจะฝึกก็เป็นคนบ่นเก่งก็ได้เป็นคนด่าเก่งเป็นคนงุนงิดขี้โกรธขี้โมโหมันฝึกได้ทั้งนั้นแหละเพราะถ้าไม่จะฝึกที่ให้มันไม่เอาเนี่ยได้ไหมก็ตอบว่าฝึกได้นะฝึกได้มันไม่จะฝึกไม่ได้นะก็แค่เรารู้ทันแล้วเราไม่เอาเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วแล้วไปช่างมันอะอะไรเขึ้นมาก็ช่างมันอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ช่างมันปล่อยไปเลยจากใจก็คือไม่เอานะ คนก็มาด่าเราเราก็ไม่เอาคนมาชมเราเราก็ไม่เอาก็ไม่ไหลไปตามลมแค่นั้นเองนะเพราะมันจะตรงกันข้ามกันเมื่อก่อนเราจะเอาแต่ในส่วนจริงๆก็คือไม่เอามันก็ออกจากตัวเราเพราะกินเลยมันเกิดคืออย่างนี้เท่านั้นก็คือเราจะเอาก็คือเอากิเลสนั่นเองนะแต่เราไม่เอาก็คือไม่เอากิเลสนั่นเองเนี่ยมันก็จะเบาลงนะนี่เป็นโลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขนทางแห่งโลกุตระคือความทุกข์มันอยู่ตรงนี้คือกันคือการไม่เอาเหมือนที่มีคนทำหลวงปู่ดูบอกว่าเออ มีใครละความโกรธได้เด็ดขาดไม่ลงปูดูนบอกว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดเรามีแต่รู้ทันแล้วมันก็ดับไปนะเราถามลงปูดูนว่าลงปูยังมีความโกรธอยู่ไหมลงปูตอบว่ามีแต่ไม่เอานะก็คือตรงนี้ก็คือไม่เอานั่นเองนะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือเราไม่เอาทุกๆอย่างก็คือไม่เอาทั้งหมดเลยนะมันจะสั้นลงมันจะน้อยลงนะกิเลสก็จะลดลงไปเร็วขึ้นนะไปเป็นคนทานการการพิผนทุกนะไม่ต้องเอามันจะคลายไปเลยนะกิเลสจะคลายจากตัวเรายังรวดเร็วนะ พอเราทำได้แบบบ่อยๆมันเองหน่อยมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองนะมันไม่ต้องมาตั้งใจที่จะทําอะไรหรอกนะพะจิตใจมันไม่เอาบ่อยๆคือมันฝึกจนจิตที่มันทานานในการป่อยแล้วเนี่ยก็คือมันไม่เอาบ่อยๆเอออะไรมันก็ไม่เอาไม่บ่อยๆในทีสุดมันก็จะทําทํางานมาเองนะเขาเรียกว่าจิตมันจะเป็นอัตโนมัติเองนะเพราะจิตเราเนี่ยมันฝึกได้พอฝึกได้มันก็เราขี่จักรยานเป็นมันก็อยู่ไหนก็ขี่ได้นะว่ายน้ําเป็นอยู่ไหนมันก็ว่ายน้ําได้ใช่ไหมเพราะเมื่อจิตมันฝึกที่มันจะไม่เอาสิ่งต่างๆ เราได้บยมันตอบแล้วก็ไม่เอาได้เองนะการทบอะไรคนก็มาดา่าเราเราก็ไม่เอาก็เฉยๆไปเองนะตายเห็นรูปมันก็ไม่ยินดีไม่ยินไล่ไปเองกินมันก็เป็น ก, ากลางๆไปเองนะมันฝึกได้ไม่ฝึกไม่ได้พอมันทํางานแล้วมันอัตโนมัติเลยนะเขาเรียกว่ า, าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปนในตัวนะเพราะนั้นอยู่ในการเริ่มต้นเมื่อเราเนี่ยเข้าใจหนทางไหมเอาหรือไม่เอาละหรือว่ายึดนะใช่ไหมก็คือเราต้องปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางแล้วก็ทิ้งเน่แค่นี้เอง เพราะในขนทางโลคุตตะละมันจะไม่มีคํำมาเอาคําว่ายึดนะยึดก็คือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นคือกิเลสทั้งนั้นแต่เป็นคนทางโลกุตตะละคือการปล่อยการไม่เอาการวางอการช่างมันไปนะมันเป็นขนทางการปล่อยเนี่ยนการขนทางการไม่เอาอหรือว่าเป็นโลคุตตะะนั่นเองมันจะคลายกิเลสนะในสุดเราก็จะพ้นทุกข์จากจุดนี้นะมันก็เป็นขนทางที่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้กันนะ อคราวนี้จะเล่าเรื่องเบาๆมั้งก็แล้วกันก็เพื่อมไม่นานนี้ก็มีโอกาสไปอินเดียมานะไปอินเดียนี่ก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจไปเองนะเพราะไม่อยากจะไปหรอมันแพงนะแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้โดยมันจะทําเป็นพาสนี่มันเดินทางออกไปนอกประเทศลําบากนะเพราะตั้งใจเป็นพาสมาก็ยังไม่เคยเดินทางไปนอกประเทศเลยอพอดีหลานก็มาชวนชวนอะไรครัง้งก็ปฏิเสธเข้าไปก็ยังมาชวนอีกนะก็เลยไปกับเขา ก็เป็นทัวร์ค่อนข้างจะดีหน่อยก็เรียกเป็นทัวร์ VP แล้วมันก็แพงด้วยนะก็คือพักโรงแรมชั้นหนึ่งทุกๆวันนะชั้นหนึ่งไม่ว่าชั้นหนึ่งแบบในประเทศไทยนะหรือหดาวในประเทศไทยก็คือเป็นห้าดาวของอินเดียนั่นเองนะแต่เทบเท่าของเราอาจจะเท่าชั้นสาหรือชั้น4ี่ก็ได้ก็คือไปแบบสบายนิดหนึ่งแล้วก็ได้กินอาหารไทยกินอาหารแบบสบายๆอาหารไทยม้างจีนม้างอะไรเงี้ยไม่ต้ไปกินอาหารอินเดียแล้วก็ไม่ต้องไป เวลารถจอดได้ก็เมืองชหญิงซ้ายชายขวาตามท้องนานะก็คือเขาก็ไปไปให้ไปไปรถวิ่งแล้วชั่วโมงกว่าสอโมงก็ให้ไปมันจะมีร้านกาแฟอยู่นะก็มีอาหารเบาๆนะขนมปังอ่โคกบ้างกาแฟบ้างให้ไปดื่มกินนะแล้วก็ไปเข้าท้องน้ำเขาได้ก็สะอาดอยู่นะก็ถือว่าเป็นการเดินทางสบายทำให้คนติดใจนะ เขาบอกว่าถ้าเราจัดมาลําบากเนี่ยคนจะไม่ติดใจก็ทีหลังไม่อยากมาก็เลยจัดแบบ VIP เลยอคนจะได้มาแล้วติดใจแล้วบอกว่าคุ้มค่ามาเราะเนี่ยจริงๆแล้วจัดทั้งเงินระดับนี้จะไม่ถึงไม่ไม่ได้มาถึงระดับนี้หรอกนะก็บอกคนที่ไปเนี่ยบอกว่าเขาประทับใจทุกคนเลยนะโดยเฉพาะวันกลับวันกลับนี่ก็เลยเขาเลยนี่โมนิเทศนะนี่โมนิเทศแลก็เลยเทสแบบที่เนี่ยเทสให้พวกเราฟัง แล้วก็เราประเมินผลอีกด้วยนะให้เขานั่งเรียงหนึ่งเลยประเมินผลเลยเให้แนะนําชื่อกันชื่ออะไรนําำคุณอะไรทํางานอะไรแล้วมาอินเดียครั้งนี้มีความประทับใจอย่างไรโอ้ทุกคนนี่เขาเกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอบว่าประทับใจมากโดยการจัดทัวร์ครั้งนี้นะประทับใจมากเลยแล้วก็ตรงตรง่อเวลาทุกคนเช่นก็ น, นัดขึ้นรถกี่โมงขึ้นรถตรงเวลาทุกคนเลยแม้แต่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆบางดีเข้าห้องน้ํา อยู่เขานัดเวลาไหนจะขึ้นรถก่อนเวลาไงคือเรียกว่าไม่เคยออกช้ากว่าเวลาเลยจะมีแต่ออกก่อนเวลาแล้วไปไหนตรงเวลาแล้วเก็บตามโปรแกรมได้หมดนะแม้แต่บางแห่งนี่แบบคลุกขักก็ไม่ไม่เคยมีที่ไหนที่จะที่ที่จะไปไม่ได้หรือว่าคุกขักหรือว่าเสียโปรแกรมไม่มีนะปรากฏว่าทุกอย่างนี่ดีมากอะไรๆก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะเอแล้วก็ปรากฏว่าวันสุดท้ายนี่ก็สอยให้คนนั่งปฏิบัติธรรมกันด้วยเนี่ยคนนี้ไปทั้งหมดยีบเก้าคนนะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยปฏิบัติวันนี้หรอก ใครก็นั่งยกมือสร้างบาร์เขาก็ชอบใจกันสนใจกันบางคนก็ถามวัดอยู่ที่ไหนเขาสนใจจะมาไปบัตรทำกันก็มีนะแล้วเวลาไปตามสถานที่สําคัญต่างๆอเช่นพุทธคยาที่เป็นสถานที่ที่พระเจ้าตัสสรู้นะก็มีต้นโพพุทธคยาอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นจริงหรอกแต่ว่าเป็นการสืบลูกหลานมาตั้งสมัยนั้นละแหละก็ต้นใหญ่มากก็มีโอกาสไปนั่งบฏิบัติ์รำลิ้นที่พุทธคยาโอ้ที่พุทธคยานี่คนเยอะมากนะ คนเยอะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธประเทศไทยเนี่ยคิดว่าจะไปยางเมืองไทยนี่ที่พุทธยา น, นี่น่าจะ 40% พอดูจากการส่วนบนต่างๆ น, นี่จะเป็นคนไทยสวดกันแล้วนอกนนั้นจะมีประเทศต่างๆญี่ปุ่นไต้หวนันเกาหลีทิเบต น, นี่ก็เยอะนะทิเบต น, นี่น่าจะใกล้เคียงกับคนไทยนะคือในเอเชียนี่จะเยอะมากนะไปกันหลายประเทศเลย ก็อย่างตอนเย็นๆนี่ไม่น่าเชื่อนึกว่าไปเย็นๆนี่คนจะน้อยไปตอนเย็นๆนี่คนเยอะมากเลยตามใต้รุนโพนนี่คนจะเยอะมากเลยด้วยว่าขนาดเดินไปนี่แทบจะเดินลําบากมากเลยทางเทเป็นที่กว้างนะคนนั่นเอียดเลยถ้าไปตอนนี้ไม่แทบจะไม่มีที่นั่งแล้วก็คนอาจจะไปสวดมนต์กันนะสวดมนต์ก็นานมากด้วยอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่ออีกครั้นี้พอไปปฏิบัติธรรมนี่ก็มีพระวิทยากรไปด้วยนะพระวิทยากรนี่ จบปริญญาเอกแล้วนะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะเขาก็เป็นวิทยากรประจํากลุ่มนะเขาจะให้ปฏิบัติทำบอกให้นั่งสมาธิให้หายใจอาณาปานัตเรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือพุทโธก็ได้นะแต่ปรากฏว่าจตมาไปก็ยกมือสิบสี่จังหวะเลยยกมือสิบสี่จังหวะเลยนะเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้ผลอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนของเขาพอยกนี่ก็มีคนยกตามนะเออมีคนยกตามอยู่สามสี่คนเหมือนกันนะ เขาก็เริ่มสนใจกันมาสักก้าตอนนั้นแล้วล่ะพอไปที่ไหนก็นั่งยกมือตลอดนะนั่งสืบสีจังหวะตลอดเลยโอ้มีความสุขเพราะว่าเราทําแล้วเราก็มีความสุขก็ใช้ได้แล้วนะก็มีคนค่อยๆสนใจมาเรื่อยๆนะพอวันหลังวันสุดท้ายมาก็ให้ยกมือก็ยกกันยกกันทุกคนเลยนะยกมือกันแล้วก็เขาก็เอบางคนก็ได้ผลทั้งทที่ก็ยกไม่นานเราก็มีเวลาไม่เยอะเห็นไหมอ่า ครัน้นี้เนี่ยสถานที่แต่ลแห่งโดยเพราะที่พุทธคยาเนี่ยจะมีคนอินเดียเนี่ยไปกนเยอะก็ยังสงสัยเอ๊ะคนอินเดียเนี่ยเขานับถือฮินดูเนี่ยทำไมเข้ามาก็ต้องเยอะแยะเขามามาเดินจงกลมเลยนะเดินไม่ใช่<ม>เดินทักศนาวัดนยรอบๆพุทธคยารอบๆอบ่าพุทธคยานี่ยเป็นใหญ่เลยแลาวข้างในมีพระพุทธเมตตาด้วยนะคนอินเดียเนี่ยมากันเยอะมากเออก็เลยสงสัยเออเดี๋ยนี้คนเดียนี่เขานนับถือพุทธศาสนาเลยไงนะคนเยอะมากจริงๆคนอินเดียนะ เป็นสถานที่ทีเรีว่าคึกคักมากแล้วก็ถึงสามทุมนะสามทุ่มนี้เขาก็จะป่านกวีดคือไม่ยากตอนสามทุ่มนี้หน่อยปลานกบีดนะให้คนออกนะคนก็จะออกกันแต่ถ้าใครไปลงชื่อหรือขอเนี่ยก็จะพักคืนพักค้างคืนที่นั่นได้เพราะบางคนไม่รู้จะไปพักที่ไหนไม่รู้ไปพักที่วัดหรือไปพักโรงแรมก็พักที่ในพุทธคยาเนี่ยได้เลยอไปหาที่นอนในนั้นได้เลยนะถ้าใครเอาเต้นก็ไปกางเต้นได้เลยนะหรืออ่า ไม่เอากลารเต้นไปสมบูรณ์ยุ่งยามอากาศก็ทากยยสิก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งก็เมลการไปปฏิบัติที่พุทธยากัถึง3วันนะสวันแต่ก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันตอนกลางวันก็พาไปนู่นไปนี่ไปเขาเคียกูดบั่งแล้วก็ไปนารันทานารันทาแล้วก็ไปนารันทาอันนี้นารันทานี่ สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะเรามีประวัติมีในบันทึกของพระถังสำจังกล่าวถึงนารันทาด้วยนะแล้วก็มีบันทึกประวัติต่างๆที่เป็นเรื่องจริงนะแล้วสถานที่ต่างๆก็มีอยู่จริงเพราะในสมัยนั้นปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมืนรูปนะแล้วก็มาจากต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นจดหมายเห่งพระถังสำจั๋งเลยนะแล้วก็มีตําราเนี่ยเยอะแยะ ปรากฏว่ายุคนั้นเป็นยุคลุ่งเรือที่สุดของอายุยุค ล, ล, ล, งลุงเรืองยุคหนึ่งของศาสนาเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นมหาวิเลยแห่งแรกของโลกนะมีคนมาศึกษาธรรมะกันเยอะว่าหนังสือธรรมะในยเยอะมากตอนหลังนี่ปรากฏว่าชาวมุสลิมนะก็บุกเข้ามาตีอินเดียนะตีไม่จนถึงนารันทาก็มาฆ่าพระด้วยนะพระนี่ก็โดนฆ่าไปบงงค์นี้ไม่ทันก็โดนฆ่าโดนฆ่าไปเยอ ะ, ยอะนะแสดงว่าฆ่าไปเยอะเลย เขก็ว่าใช้เวลาเผาหนังสือ เ, เป็นเดือนนะคิดดูว่เยอะขนาดไหนเผาเป็นเดือนๆ น, นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เผาในสมัยนันกป่าณนี่ก็คงมีหนังสืออะไรเยอะแยะแล้วแหละนะก็เป็นสิ่งทน่าเสียดายมากนารันทานะแล้วก็วกใก ล, ใกล้ๆกับนารันทาก็มีหลวงพ่อองค์ดําหลวงพ่อองค์ดํานี่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเรากว่าในยุคนั้นนะที่อิสลามเข้ามาเนี่ยก็ทําลายพระพุทธรูปในยเยอะมากเลยนะทําลายไปเอา เอาคอนทุบเอาอะไรเนี่ยทําลายไปเยอะเห็นไหมแต่ที่ไม่นานอนี้ก็มีที่อประเทศอะไรอ่ะอ่าอัฟกานิสถานหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมก็พระบรูปองค์ใหญ่สวยสุดในโลกยังโดนทํำลายเลยนะแสดงว่าเขาชอบทําลายทําลายมากปรากฏว่าหลวงพ่อหลวงดำเนี่ยก็ทําลายไม่ได้นะเขาไปทําเนี่ยทําลายไม่ได้ทำลารจะมีเหตุอะไรบางอย่างทําให้เขาทําลายไม่ได้ปรากฏว่าหลวงพ่อหลวงดํานี่ศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยรอดพ้นมาได้เนะรอดพ้นมาได้เนี่ถือว่า อ่าเป็นสิ่งที่ปฏิ ห, หารเหมือนกันนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์โดยพาะผู้รู้ในโดนทําลายกันเยอะอิสลามไม่ทำลายหมดทุกอย่างเดี๋ย ว, วนี้ก็มีคนฮินดูเนี่ยเฝ้าอยู่นะเฝ้าดูแ ล, แลก็ปราะว่าสถานที่พุทธศาสนานี่เป็นชาวฮินดูเนี่ยคอยดูแลอยู่ไม่ใช่ครับพูดนะชาวฮินดูเนี่ยคอยดูแลดูแลแต่ว่าเขาก็ได้อาศัยปัจจัยต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตเขาแล้วก็อินเดียนี่เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า เขาจะรักษาวัฒนธรรมเนี่ยเขาดีมากน ะ, ะผู้หญิงนี่สังเกตดูจะไม่ไม่เจอใครที่ใส่จีนนะผู้หญิงนี่ไม่เห็นใส่ยียนเลยนะไม่เห็นใส่ยียนก็พยายามดูอยู่เป็นกันเดือผู้หญิงทําไมไม่ได้ใส่ยียนก็คือผู้หญิงถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจ ะ, จะใส่เป็นแบบกางเกงขา ย, ยาวนะกางเกงขา ย, ยาวแล้วก็จะใส่เสื้อเสื้อแขนยาวแล้วก็มันจะยาวนะะ่เสื้อนี่มันจะยาวมันจะเลยมาถึงประมาณที่เข่านะ อ่ามันจะแบบแต่งกายแบบดูแล้วก็เรียบร้อยนะแต่ถ้าแต่งงานแล้วก็จะใส่ชุดสาลีกันนะใส่ชุดสาลีถ้าใส่ชุดสาลีแสดงว่าแต่งงานเพราะเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเออคนไหนเป็นโสดคนไหนแต่งงานแล้วเนี่ยอ่เพราะเราจะเห็นวัฒนธรรมเนี่ยเขาดีมากชุดสาลีเนี่ก็ใส่ไปเป็นเป็นพันปีนะเป็นพันพันปีเขายังใส่อยู่นะก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดยีนแบบของเรานะของเรานี่ไม่ใช่อะไรทุกวันเนี่ยปรากฏว่าจะว่าแต่อะไรเลยนะชุด ไทยเนี่ยก็ไม่ใส่นอย่าว่าเลยชุดไทยแม้แต่ผ้าถุงหรือสโลก็ยังไม่ใส่กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่มีใครใส่ผ้าถุงกันแล้วเนี่ยอของใครใส่ก็เชยนะอย่างจริงๆแล้วตามแตงกวาดเนี่ยสมัยก่อนน่าจะใส่กันเยอะนะใส่กันเยอะเพราะคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะใส่กันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ตามแต่งกวาดหรือตามชนบทเนี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีใครใส่ผ้าถุงกันเลยใส่กันใส่กางเกงยีนกันเยอะนะ มันก็เออมันก็จริงๆก็คือเราไม่มีวัฒนธรรมในจุดนี้คือเรามีแต่ว่าเราไม่รักษาไว่ยังตอนเนี้ยดูนะปิดเทอมปิดเทอมเนีจะเจอนักเรียนเนี่ยทําผลแปลกกันนักเรียนชายเนี่ยรู้สึกเมื่อวานไปบินระบาดหรืออะไรเนี่ยอ่าเห็นเนี่ยตัดผมทรงอะไรไปนักเรียนนะตรงนี้เป็นเป็นเป็นผมขึ้นมานะเป็นผมมันก็อินเดแดงสมัยก่อนเนี่ยแต่ต้องข้างข้างนี้โกนหมดเลย มันก on like ับอะไรเงี้ยอาจจะตัดสั้นหรือโกนไปเลยนะเป็นตัวไม้แดงสมัยก่อนเลยเนี่ยก็ไปผมเหมือนกันนะบางคนก็ไปย้อมกันเป็นสีแปลกๆทั้งๆที่เด็กในชนบทนะเด็กแถวนี้ยก็ไม่เคมีเงินแต่ก็ยังไปทําผมเปนแบบนี้เลยใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ยประเภทก้าวไกลก้าวไกลเกินไปเกินความจําเป็นนะมันก็เลยรับสิ่งที่อะไรที่ไม่ง่ายๆเข้ามานะ รับอะไรที่มันง่ายๆก็คือรับให้ง่ายๆนั่นแหละมันชีวิตมันก็เลยเป็นแบบนั้นไปนะเพราะฉะนัว่าเด็กทุกวันเนี้มันไม่มีภูมิคุ้มกันนะอะไรมันก็เสียง่ายๆนะอ่าเปิดเว็บไซต์เนี่ยพ่อแม่เปิดไม่เป็นแต่เด็กเนี่ยเปิดเว็บไซต์เป็นนะพ่อแม่ไม่รู้เปิดไงเด็กเนี่ยเลยเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตอ่าเว็บไซต์ลามกต่างๆเนี่ยดูตั้งแต่เด็กๆบางทีเรื่องชำนาญเรื่องเพจมากกว่าพ่อแม่อีกนะอ่ามันเป็นแบบนี้นั่นแหละวัฒนธรรมไทยนะแล้วก็เห็นว่าโฆษณาประกาศกันอยู่ มีอะไรนะบอกว่าประกวดเพื่อให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนในภายภาคหน้าประกวดอะไรประกวดร้องเพลงประกวดเต้นประกวดเต้นนะเต้นแบบหางเครื่องเนีะแล้วเต้นแบบหางเครื่องมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนได้อย่างไรนะเต้นมันนั้นมันก็คือยั่วกิเลสทั้งนั้นนะยั่วกิเลสที่ทำให้คนมีกิเลสมากขึ้นนะ เพคือไทยเนี่ยจริงๆมันหลงทางในตรงนี้หลงทางว่าอะไรคืออะไรนะอะไรที่ไม่ดีชอบไปส่งเสริมกันส่วนที่ดีๆไม่ค่อยส่งเสริมหรอกกลายเป็นความเฉยไปนะมันก็เลยตกมาเรื่อยๆนะชีวิตของเรามันก็ค่อยๆเสื่อมลงมาในจุดๆนี้มันก็เจริญแต่ในทางวัตถุแต่จิตใจแล้วจริงๆแล้วมันเสื่อมเสื่อมเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้นิดนึงถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่ดีๆแล้วเนี่ยเราก็นําไปเผยแพร่ในทางที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีอย่าไปเผยแพร่เนี่ย ก็คือจริงๆแล้วอย่าว่าแต่นั้นแลยแม้แต่วัดก็เหมือนกันนะช่วงนี้บางทีก็จะเริ่มเห็นแล้วะเออขอเชิญเที่ยวงานตุ๊จีนหรืองานสงการก็แล้วแต่ปิดทองพระประธานอขอเชิญชมมหรสศพอย่างเงี้ยมันจะเป็นบุญเป็นกุศลได้อย่างไรนะแม่หลวพระหรือวัดก็ยังคิดแบบนี้เลยมรรสศพมันก็ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นแหละใช่ไหมไม่ได้มีอะไรลดกิเลสเลยใช่ไหม เพราะนั้นวัดในจริงงานวัดก็คือนี่แหละปฏิบัติธรรมกันมามาเลยไม่ต้องหวังเงินก็หรอกจัดเข้ามาคนก็บริจาคกันเองนั่นแหละใช่ไหมนี่มันผลทางของวัดไม่เป็นแบบนี้นะแต่ทุกวันนี้มันก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าอย่าไปว่าสังคมและไม่ใช่ชาวพุทธเราก็หลงทางกันในตรงนี้กันเยอะนะเราก็มาตรงนี้มันก็ให้พวกเราสะกิดใจ น, นิดนึงต่อไปแล้วเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเรามีโอกาสที่จะแสดงความคิ ด, คดเห็น มันจะได้เป็นหนทางให้เมืองไทยวัฒนธรรมในนี่จเจริญมากขึ้นทำไมก็ไ ะ, ะเจริญแต่ท้าวัตถุแต่จิตใจเนี่ยตกต่ำไปเรื่อยๆนะะเราก็เนี่ยในจุดนี้ก็เราก็มาช่วยกันพัฒ น, นาทั้งภายนอกและภายในนะนะก็คือภายนอกในจุดที่ว่านั่นแหละส่งเสริมในทางทดีๆกับสังคมและภายในคือพัฒ น, นาจิตใจของเราเนี่ยให้กิเลส ข, ของเราเบเาเ บ, บางล ง, ลงนะเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้นําสังคมทั้งภายนอกและภายในอย่างแท้จริงนะแล้เตรียมตัวกราบพระกัน